พระธรรมเทศนาแผ่นที่74ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สกุมภาพันธ์ 2,558 มีชื่อเรื่องว่าฝึกพักฝึกเดินวันนี้เป็นวันที่สาม กุมภาพันพธศักราช 2,558 วันนี้เป็นวันพระขึ้น15คำ่ำเดือน3เดือน3เพนแต่ปีนี้8 2งหนท้าว่าไม่ไม่ใช่8 2งหนกับวันนี้เป็นวันมาฆบูชาแต่นี้จะต้องไปอีกหนึ่งเดือนคงจะเป็นวันที่3ที่4มีนาเป็นวันมาฆบูชา ของเราอีกจากนี้ไปหนึ่งเดือนแต่วันนี้ก็เป็นวันพระสิบห้าพระสงฆ์ลงอุโบสถวันนี้ตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นขณะนี้ก็พวกเราได้รวมกันไหว้พระสวดมนต์อย่างทุกครั้งทุกวันพระที่ผ่านมาแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองจะจะย้ำเรื่องจิตภาวนา สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องภาวนาเป็นหัวใจในการปฏิบัติของพวกเราที่มาอยู่ป่าอย่างนี้ะเราไม่ได้เน้นอย่างอื่นเราไม่ได้เล่นเน้นเรื่องการเรื่องงานเรื่องงานเรื่องการเป็นอันดิเลกพวกเราต้องอยู่นัสถานที่ใดนกหนูปูปีกเขาก็ทารวงทํารังของเขาอันนั้นเป็นธรรมชาติ นี้ก็เหมือนการนั่ น, น ะ, ะเราเป็นวัดวาศาสานาเราก็ต้องมีที่พักภาอาศัยเป็นธรรมดาเราก็ไม่ได้เน้นหนักให้หรูหราอูออาอะไรเพียงแต่ว่าให้ได้อยู่พักภาอาศัยตามอัตภาพถ้ากว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย ส, สมซอเกินไปก็ทำให้เก ล, โลกเโตกเิเลสเขาตำหนิไตได้เพราะนั้นเราก็ต้อง อยู่ในโลกมนุษย์อยู่ในโลกเราก็ต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังทำให้เหมาะสมกับการสถานที่ที่มันเป็นไปได้อันนี้ก็คือการที่สร้างที่พักพาอาศัยเราไม่ได้เน้นหนักว่าสร้างขึ้นมาแล้วสวยงามแล้ว หมดกิเลสไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะถึงยังไงมันก็ต้องตายอย่าดีๆนั่นแหละแต่สร้างขึ้นไปเท่าไหร่จะหมดกิเลสมันก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องที่พักพ้าอาศัยเราก็ต้องทำจะให้ขาดตกปกพ่องเพราะมันอยู่ในปัจใจสี่อาหารที่พักพ้าอาศัยผ้านุ่งหม่ม ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเราจะให้ขาดตกปกพ้องมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องอีกถ้าเราจะให้หลูหลาอูอาโออาฟุ่งเฟือยจนเกินไปก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะเไป็นไงเราจะให้เดินสายกลางๆสำหรับปั จ, จัจสี่แต่เราจะเน้นหนักจริงๆกัเรื่องจิตภาวนาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย เราไม่ได้เรียนเพื่อจะศึกษาอะไรมาเพื่อจะอวดอ้างหรือว่า อ, อ, อยากจะให้ใครคนทั้งหลายรู้จักว่าเราเป็นใครให้เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราพวกเราท่านทั้งหลายเขามาบวชเพื่อเพื่อฝึกหั ด, ดัดนิสัยตัวเองเพื่อฝึกฝนตัวเอง เพื่อบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ในจิตในใจของพวกเราเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นแต่อย่างอื่นเป็นผลพลอยได้คล้ายๆเขว่าเมื่อเราทำดีผลดีก็จะต้องตอบสนองมาอันนั้นเป็นเป็นผลเป็นผลที่เราทำดีแต่เราก็ไม่ได้มุ่งหวังหวังผลทำดีภายนอกเท่านั้น แต่เราดีเราทำดีเพื่อมุ่งผลภายในคือพ้นทุกในจิติจิตใจของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะจะทำยังไงจุดนี้แหละจุดที่ว่าทำยังไงจึงจะพ้นทุกในวัฏสงสารตามแนวแถวของพุทธะคือพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรที่แทนได้ไปค้นคว้าศึกษา ที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนั้นคือเป็นบรรทัดฐานเป็นกระจกเงาหรือเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็เด้นนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาปฏิบัติแล้วพวกเรา มาถึงจุดนี้เราก็นเน้นเรื่องจุดนั้นเอาจุดนั้นมาปฏิบัติสําหรับตัวของเร า, เ, าเรามุ่งหวังอะไร เ, เรามาปวดในคราวนี้ต้องการลาบยศชนะเสริญสุขทางโลกอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่พอถึงยังไงถึงจะเลี้ยงดูขนาดไหนก็เถอะสุขขนาดไหนก็เถอะสุขในร่างกายามีแต่แก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะ หลีกลีหนีพ้นไปได้อันนี้พูดแล้วพูดอีกแต่ถึงยังไงจะทำยังไงจุดนั้นนี่แหละอยากจะให้พวกเราทุกทุกท่านอยู่นสถานที่ใดอยู่นเะอยู่ตามลำพังรออยู่นสถานที่ใดเดินยังกลม <c oughs> เดินบินทบาบาทก้าวขาให้มีสติภาวนาไปด้วยทุกครั้งถ้าเป็นไปได้พอลำาลึกได้ปุ๊บ ให้จิตวิ่งเข้ามาหาตัวเองทันทีภาวนาดูใจของตนเองนี่แหละการภาวนาคำนี้เรามาศึกษาในแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่ น, นแนวปฏิปทาขององค์หลวงตามหาบัว เ, เราจะไปฟังเอ3มพสามหรือจะไปฟังที่อื่นมาแล้วก็นำมาปฏิบัติผลที่สุดคนน่ะสายหน้าสายหลังผลที่สุดคนน่ะ ส่งจิตออกไปข้างนอกเพ้อเพอกันนั่นน่ะเป็นบ้าเป็นบอขึ้นม า, าแล้วจะมาตำหนิว่าเออเราปฏิบัติแนวแถวกรรมฐานเนี่ยเกิดวิปัชนูอุปกิเลตเป็นบ้ า, ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพวกเราท่านทั้งหลายนะฟังเอาไว้นะคำนี้นะ เ, เราจะให้หลงทางนะยึดแนวแถวขององค์ลงตา เออลงตาเนี่ท่านไม่ให้หลงไม่ให้ลืมหลงลืมในโลกนะเออถึงจะมีอย่างไง ก, ก็เถอะท่านไม่ให้หลงใครจะยกย่องเชิดชูอย่างไงท่านก็ไม่ให้ลืมตัวเออเพราะนั้นใจของเราจะไปลุ่มหลงมัวเมากับโลกามิตรเรื่องโลกทั้งหลายอยากจะให้เขายกย่องเชิดชูเอออยู่ตลอดอย่างนั้นใช่ไหมหลงพ่ออินดีจริงๆริดีจริงๆดีจริงๆ เออไปที่ไหนอยากจะให้เขาไหวอย่างนั้นเหรอได้มันได้อะไรฮะมันได้อะไรนี่หละยกตัวอย่างพวกท่านทั้งหลายผมเหมือนกันนั่นแหละผมเรา่กตัวอย่างให้ฟังเราเนี่ยไม่ได้ลืมตัวใครจะยกยังไงอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่ออินก็ต้องเป็นศพแน่ๆตายแน่ๆเข้าในหีบโลงแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นฮะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองไม่ลืมไม่หลงตัวเองฮะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกองนะ ออย่าไปลืมตัวอย่าไปอยากเด่นอยากดังดังอะไรดังกิเลสใช่ไหมอออยากดังกิเลสใช่ไหมอยากให้เขารู้จักใช่ไหมว่าเป็นบุคคลสาคัญอย่างนั้นใช่ไหมกิเลสทางนั้นเพราะนั้นอยู่คมในฝักเป็นมีดคมในฝักกรรมาฐานต้องเป็นมีดคมในฝักมีดแต่มันคมในฝัก เอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ไม่ได้ยังถึงคราวย่าไปถึงข่าวออกมาใช้ให้อยู่ในฝักไว้ก่อนถึงค่าวมันจําเป็นจะต้องได้ใช้มันมีในเมื่อคราวจําเป็นแล้วอย่าไปอมปากกลมลิ้นอยู่เฉยเฉยแสดงความคิดเห็นอด้วยความกล้าหาญด้วยความองอาจด้วยความเชื่อมั่นในตนเองนี่อันนี้แหละคือชีวิตของพระ นักบวดนะแต่วิธีการปฏิบัติทำยังไงให้ยึดแนวแถวที่องค์หลวงตาพาดำเนินหลวงตาบอกว่าอันดับแรกแต่ก่อนเราก็ ก, กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดามันเผลอมันลืมมันหลงได้ง่ายเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่ออะไรฟังกันนี้นะตอนนั่งรถมาจากศาลาข้างนอก น, ะนั่งรถกับพ่อน้อยมานะ่หลวงตาพูดคานี้ขึ้นมาพอดีเลย พูดอย่างชัดเจนอีกต่างหากเมื่อเช้าเนี่ยลงตาพูดในวิทยุเสียงธรรมทั้งที่ท่านจุตินิรพานไปแล้วท่านก็ยังเน้นว่าแต่ก่อนเราก็ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาแต่พอเราได้ศึกษาหลวงปู่มั่นแนะนำบอกว่ า, วามันเผลอได้ง่ายนะมันหลุดได้ง่ายมันหลงไหลได้ง่ายให้บริกรรมพุทโธทสทับกับสทับกับพุทโธด้วยนะ หายใจเข้าพดหายใจออกโธขาขวาพุดขาซ้ายโธ เ, เวลาปัดกวาดให้มีสติอยู่กับตัวเองเวียงขวาพุดเวียงซ้ายโทการเคลื่อนไหวทุกระยบทให้มีพุดโทสามสี่วันแรกอ ก, กจะแตกหนักถึงขนาดนั้นละ่ะเวลาทรมานตัวเองฮบังคับตัวเองมันไม่ใช่ของง่ายๆนะมันหนักนะแต่พอวันที่สี่ที่ห้ารู้เรื่องแนวทางไปแล้ว ใจของเราหรือว่าอารมณ์ข้างนอกเข้ามาหรือไปรับอารมณ์ข้างนอกอารมบไปรับอารมณ์ข้างนอกหรือมารับอารมณ์ข้างในเรารู้ได้เลยทีนี้มันไม่ออกไปเพราะบังคับมันอยู่พอจิตใจมันอยู่รู้รู้ได้ด้วยตนเองเลยว่าอันนี้คงไม่เสื่อมจิตใจของเราคงไม่เสื่อมอีกมันทานลักษณะอย่างนี้เพราะเรารู้มันอยู่สติมันทันมันตลอดสติอยู่กับตัวเองมันทันมันอยู่ มันจะเผลอไปที่ไหนเนี่ยพอจากนั้นเราก็จะนั่งตลอดทั้งคืนก็ได้นั่งทั้งคืนเลยจิตใจสงบตลอดคืนแต่ว่าวันไหนที่อากาศร้อนอบอ้าววันนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเข้ายากแต่วันไหนอากาศผลดินพรมๆอากาศจีนเย็นหนาวๆสักหน่อยเรานั่งเข้าไปนั่นแหละวันนั้นแหละเหมือนกับคีม ที่ปากคมคมเอยจับสมาธิจับตัวไหนมันติดปั๊บเลยทําให้จิตใจแน่วอพอจากนั้นจิตสงบเอพอจิตสงบพ อ, อไปไม่รู้สึกทางกายแต่มีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ข้างในจากนั้นมันก็เผอออกมาหลุดออกมาแล้วก็เข้าอีกก็เข้าได้ง่ายแต่วันไหนอากาศร้อนๆอบอ้าวเวลาเข้าก็เข้ายาก เวลามันออกมาแล้วก็จะพยายามออกเข้าก็เข้าอยากถ้าว่าคืนอย่างนั้นเหนื่อยทวันเหนื่อยเพลียนั่งคืนสมาธิคืนนั้นอ่ะเพราะว่ามันเข้าสมาธิแต่ยากเพราะอากาศอุตุไม่สับปายะนี่แหละอุตุอุตูนี่นก็สำคัญนะนี่ท่านก็บอกอย่างนั้นอีกจากนั้นท่านก็นั่งภาวนาจนถึงนั่งพรจนถึงสงบนิ่ง หลวงปู่มั่นก็ถามไปไงมาหาภาวนาโอ้จิตสงบดีครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมสงบจะนั่งตลอดทั้งคืนก็ยังได้ไม่ให้มันเผลอไปทางอื่นไม่ให้มันออกมาเลยก็ได้ให้จิตสงบเน่งตลอดเลยครับผมจิตอยู่เอ้ยมันอยู่จิตสงบแล้วก็ต้องถอดออกมานะให้พิจารณานะเออ เดินทางวิปัสสนาไม่ใช่ให้มันสงบอย่างนั้นอย่างเดียวมันต้องถอนออกมาถ้าสงบอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ใช่ทางพอต่อมาอีกท่านถามอีกว่าเป็นไงมหาภาวนามันไม่ยอมออกกับผมมันอยู่แล้วมันไม่ยอมออกคือคื้ว่ามันติดในความสุขเหมือนกับเราเข้าไปนอนในห้องแอร์อย่างนั้นนะจะให้มันออกไปทางานไปตากแดดไปทางานมันเหนื่อยมันไม่ยอม บังคับไปไม่ออกมาหาต้องบังคับให้ออกนะถ้ามันไม่ออกจะไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่หลวงปู่มั่นบังคับท่านก็ บ, บังคับให้ออกเมื่อออกพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาพิจารณาร่างกายตั้งแต่เกษาโลมาเกษาผมโลมาขนหนาาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกแยกส่วนแบง่งส่วนของร่างกายให้เห็นเป็นอสุภะปฏิกูลุนะ อ, อท่านบอก ดูทลกหนังออกไปเออลกแล้วทลกอีกเออดูแล้วดูอีกในร่างกายทุกส่วนอย่างละเอียดทีท่วนเหมือนกับเราคลาดนาดคลาดแล้วคลาดอีกคลาดแล้วคลาดอีกเออจนถึงละเอียดทีท่วนเออแล้วก็กลับมาอีกคลาดอีกพอเราพิจารณาอย่างนี้โอ้ทำไม ทำไมเราจึงไปหานอนจมนอนใจนอนตายอยู่ในสมาธิมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้สิมันจึงถูกนะ่ะพิจารณาอย่างนี้ถึมันถอดถอนกิเลสให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านบอกว่าเห็นเราเห็นชัดเจนก็คือเห็นแผ่นหลังของเราถลกแผ่นหลังมาแผ่นหลังดังแดงเถือกในหลังของเรา เ, เพอถลกหนังเห็นแผ่นหนังหลังของเราแดงแดงเถือก เหมือนกับเลือดเต็มไปหมดหรือว่าเป็นแผ่นเนื้อในหลังของเราเราเห็นสำหรับเราเราเห็นแผ่นหลังชัดเจนเในขณะที่เราพิจารณาถ้าเราพิจารณาดูแล้วเห็นส่วนไหนในร่างกายในร่างกายของเราเพิจารณาแล้วพิจารณาอีกคาดแล้วคาดอีกตลบแล้วตลบอีกเราเห็นจุดไหนที่มันชัดเจนถ้าเราต้องการอยากจะให้สงบ เรากดกำหนดอยู่จุดนั้นให้มันเน่งดูจุดจุดนั้นจุดเดียวมันก็จะเข้ารวมเข้าสู่ความสงบในเมื่อความสงบมันพักจิตจิตพักพอสมควรแล้วนำมาพิจารณาอีกคุยเขี่ยขุดค้นอีกนี่แหละ เ, เมื่อเราขุดค้นแล้วเราก็เข้าไปกราบมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นข้อกาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับผมพิจารณาเนดะี๋ยวมันออกแล้วมันออ ก, นออกจนนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้วงัน มันพิจารณาเฮมันต้องเอาบังคับให้มันอยู่นะให้มันให้เข้าสมาธิให้ได้นะมันออกไปแล้วก็ต้องให้พักให้เข้าสมาธิให้ได้อย่าเตลิดเปิดเปิงงั้นไม่ได้นะมันไม่ถูกนะมันออกเกินไปนะพอเขาไปมันเข้าไม่ได้ก็ับผมเพราะว่ามันมันออกมันออกมันไม่มันเห็นผลในการพิจารณานั่นแหละมันบ้าสังขารมันหลงสังขารต้องบังคับให้มันสงบ ให้ได้นี่แหละมีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนเป็นผู้ให้คำแนะนำมันชัดเจนถึงขนาดนั้นฉะนั้นท่านก็บังคับให้จิตอยู่ในความสงบพอสงบเสร็จแล้วถอนออกมาจากสมาธิพิจารณาพอพิจารณาเหนื่อยมันเบอร์กลับเข้าไปพักผ่อนในสมาธิพอพิจารณาในนาสมาธิออกมา พิจารณา <c oughs> พิจารณาสรบแล้วก็คือต่างกล้ามต่างวาระในเมื่อทำจิตใจให้สงบไ้สงบในเมื่อพิจารณาให้พิจารณาไม่ต้องคิดถึงความสงบในเมื่อคิดในขณ ะ, ขณะที่พักผ่อนไม่ต้องคิดถึงการพิจารณานี่อันนี้แหละคือวิธีการปฏิบัติเรื่องสมถะและวิปัสสนาพลที่สุดเมื่อเราพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้ว เห็นแล้วอ่ะร่างกายก็คือคือร่างกายมันไม่เป็นอย่างอื่นใจของเราไปลุ่มหลงในร่างกายก็รู้ว่าใจของเรานี่คืออันหนึ่งแต่ว่ามันเวลามันสงบนะมันไม่ได้สงบที่สมองนะมันสงบที่หัวใจท่านท่านจะว่าใจมันอยู่ในกลางอกนี่นวะ่ามันไม่ได้อยู่ที่สมองนะจิตสงบนะมันจิตมันรวมนะมันรวมเข้ามาอยู่ที่หัวใจนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านปฏิบัติมาที่ผมพูดให้ฟังหรือหลวงพ่อพูดให้ฟังนี่นะฟังหลวงพ่อยอมรับในแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาในเมื่อหงพ่อยอมรับเนะ่ยจะว่าเอา้าผมเคยปฏิบัติมาอย่างท่านหลวงตานะเน้อยจะไปพูดอย่างนั้นมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราจะจะไปพูดอย่างนั้นมีแต่ว่ายกพระพุทธเจ้ายกพ่อแม่ครูบาอาจารย์มา เพื่อให้พวกเราเป็นตัวอย่างแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเท่านั้นล่ะนี่แหละให้พวกเราทุกๆท่านนะจากแล้วเน่ยเมื่อเราพิจารณาเห็นกายเห็นใจเห็นใจเห็นกายเห็นกายเห็นใจพิจารณาทางวิปัสสนาการกลองไตรทองแล้วใครเป็นคนไปหลงหลงร่างกายมันใจทีนี้มันดูเข้ามาหาตัวผู้รู้นะตัวผู้รู้เน่ตัวการใหญ่ชีนี้มันอยู่ที่ออกไปจาก ใจทั้งหมดมันยิงลูกกระสุนออกไปไปรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางเล่นทางกายสารวนวุ่นวายอยู่นะมันออกไปจากใจทั้งหมดคือตัวผู้รู้นะ่ะนั่นแหละเข้ามาหาตัวนั้นเถอะดูมองตัวนั้นปรับปรุงแก้ไขตัวนั้นปล่อยวางที่ตรงนั้นกิเลสมันอยู่ในตรงนั้นนั่นแหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนักปฏิบัติทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายให้มองให้ปฏิบัติ ให้พิจารณาได้ฟังเอาไว้อย่างที่หลวงพ่อพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา น, นี่คือแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านดําเนินมาอย่าไปเสี่ยงนู้นอย่าไปเสี่ยงนี้จะไปฟังนู้นจะไปฟังนี้ให้ดูเวลากําหนดภาวนาทําจิตทําใจยังไงจึงใจจิงจะสงบบังคับให้มันสงบจะทํำยังไงจะกําหนดกรรมาฐานอะไร ในเมื่อได้จิตเข้าสู่ความสงบจะพิจารณาอย่างไรเจิตใจที่มันจะไม่กระสับกระสายโปง่งฟุ้งออกไปข้างนอกให้มันอยู่ในบังคับในสติสติในการบังคับให้ให้เห็นร่างกายของตนเองให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหเห็นอรสุภะปฏิกูลเห็นความเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายเมื่อเห็นชัดแล้วก่อนมันดูแลคิดจารณาอีกพิจารณาแล้วอีก เพราะว่าจัดกิจใจของเรานะมันเกิดมาติดภพติดชาติมันมีโรคกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาตินะ เ, เกิดมาเป็นตั้งแต่ใส่เด็กใส่ใส่เดือนตั้งแต่ตัวบุ่งตัวนอนจนถึง เ, เป็นช้างเป็นมา้าเป็นวัวควายเป็นกระทั่งสัตวนนะ์นรกมันติดอยู่ในโลกมันติดอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะทางนั้นเพราะนั้นเราจะพิจารณาแผลบลอมแผล มันแล้วก็ถอยไม่ใช่ไม่ได้ต้องพิจารณาคาดแล้วคาดอีกดูแล้วรูอีกย้ำแล้วย้ำอีกออมองแล้วมองอีกคิดแล้วคิดอีกดูแล้วดูอีกออย้ำแล้วย้ำอีกมันจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายนะมัน จ, จ, จ, จึงจะรู้แจ้งเห็นจริงนะเพราะฉะนั้นขอฝากให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราเแนวหนึ่งแต่ไม่พูดมากพูดเอาแต่เนื้ อ, นอในภาคปฏิบัต การพูดวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาเพราะมันเหนื่อยวันนี้ทั้งวันเลยแล้วก็ลงพ่อขอพักพร น, นะแล้วก็เปิดเทป MP3 ที่ลงพ่อให้ไปเปิดเมื่อกี้เนะี่ยเอานั่งสมาธินะั่ น, นี้นะฟังต่อ